214. พันดาคาระสัมมติอาธิกถาว่าด้วยการสมมติเรือนคลังเป็นต้นเรื่องสมมติเรือนคลัง 343. สมัยนั้นพวกภิกษุผู้เป็นเจ้าหน้าที่เก็บจีวรได้เก็บจีวรไว้ในมณดบ้างที่โคนไม้บ้าง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 เรือนมุงแถบเดียวปร า, าสาทเรือนโล้นหรือถ้ำ